ชีวิตในสังสารวัตรนี้เป็นชีวิตที่เสี่ยงอันตรายเพราะเมื่อเกิดมาแล้วหากตั้งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่การสร้างบา ร, รมีเราอาจจะพลังพลาดไปทำบาปอกุศลม่ยามละโลกแรงกรรมก็จะส่งผลให้ไปสู่อบายภูมิซึ่งเป็นภพภูมิที่ปราศจากความสุขความเจริญ มีแต่ความทุกข์ทรมานก็จะได้กลับมาสู่เส้นทางสุขติก็ต้องใช้เวลา ย, ยาวนานมากแม้หมดกรรมในนรกแล้วบางทีก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานอีกหลายชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสอุปมาไว้ว่าโอกาสที่สัตว์นรกจะกลับมาเกิดในภพภูมิที่ดี คือสุกติภูมิน่ะมีน้อยเหมือนฝุ่นในเล็บมือเมื่อเทียบกับฝุ่นในจักรวาลแ่โอากาสที่จะไปเกิดเป็นเปนเรต่สุรากายและสาสตร์เดชานมีมากกว่ายางเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตควรเร่งรีบสั่งสมบุญกุศล ทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนากันให้เต็มที่จะได้มีสุคติเป็นที่ไปกันนะจ๊ะพิทอยคำในพระเทวทัตได้กล่าวไว้ก่อนถูกมหาปตพีสูบลงไปสู่เอเวจีมหานรกความว่ากราบลงขอถึงพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้เป็นบุคคลผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพ เป็นสารถีฝึกนรชนมีพระจักสุรอบคอบมีพระลักษณะแต่ละอย่างเกิดที่บุญตั้งร้อยก็เป็นที่พึ่งดืกระดูกคางพร้อมดืลมหายใจชีวิตของสัพสั์ที่เวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัตรมีขึ้นมีลงบางครั้งก็ไปบังเกิดในสุคติอาชาติในประมาทรมบับอกุศล บาปก็จะชักนำไปบังเกิดในอบายภูมิเหมือ น, นังชีวิตของพระเทวทัตอาชาติไหนไม่ได้เจอพระบรมโพธิสัตว์สร้างสมบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้มีสุคติเป็นที่ไปแต่ถ้ามาเจอพระโพธิสัตว์แรงอาฆาตจะเคยอธิษฐานจิตเอาไวแ้แต่ครั้งจะเป็นพ่อค้า จะขอตามจองล้างจองผลานกันจนกว่าอีกฝ่ายจะเข้าสู่ น, นิพพานอันที่จริงโลกนี้มีหลากหลายมุมมองให้ดูถ้ามองอีกมุมหนึง่งเราจะเกิดความสงสารและเห็นใจปฏิทัติเพราะตอนนี้ท่านนั่งสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนอยู่ในอเวจีมหานรก ไม่เคยได้รับการหยุดพักจากการทันทรมานเลยในส่วนของบุญนั้เกิดจากการถวายกระเดกคางเป็นพุทธบูชาทาไม่ท่านได้รับพุทธบยา ก, กอรว่าจะได้เป็นพระปัจเจพุติเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแสดงว่าท่านเป็นผู้ติดสั่งสมบุญเอาไว้มากเหมือนกันชีวิตของคนคนหนึง่งจึงมีทั้งบุญและบาปปนกันอยู่ตัวเราเองก็เหมือนกัน พอ ไ, ได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วระหว่างสร้างบา ร, รมี่อยังสมแต่บุญอย่างเดียวอย่าไปมีเวรมีภัยกับใครมื่มีอุปสรรคเกิดขึ้นให้เอาชนะด้ความดีและการสร้างบา ร, รมีก็จะได้สะดวกกราบรื่นนะจ๊ ะ, ะวันนี้หลวงพ่อเล่าถึงว่าเพราะเทวทัตหลังจากนอนป่วยมานานถึงเก้าเดือน ก็เริ่มคิดได้ว่าตัวเองทําผิดอย่างมหันต์ต่อองค์พระบรมศาสดาจึงอยากจะไปกราบขอขามาโทษก่อนตายปอบริวานใจหามใส่แคร่เดินทางรอนแลมมาถึงวัดพระเจตวันฝ่ายภิกษุ ส, สงฆ์ก็คอยรายงานความเคลื่อนไหวของพระเทวทัตให้ทรงทราบว่ามาถึงไหนแล้ว พระองค์มีพุทธดำหลัดว่าให้พระเทวทัตทําตามที่ปรารถนาเถิดจะได้ไปห้ามเขาเลยถึงอย่งางไรก็มาไม่ถึงพระองค์เพราะกุกรรมที่พระเทวทัตทําไปนั้นนักหนาสาหัสเกินกว่าจะเดโลกาสมาขอเข้ามาพระองค์พอเป็น ท, ที่พึ่งของโลกฝ่ายภิกษุสาวกแม้จะเชื่อมั่นในพุทธปยากรแต่ก็คอยติดตามว่า อะไรคืออุปสรรคที่จะทำให้พระเทวทัตไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในครั้งนี้มอมปริวานหามพระเทวทัตเอาวางลงที่ริมฝั่งสระบครีใกล้วัดพระเชตวันต่างก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำในสระบครีแม้พระเทวทัตก็ดีใจว่าจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้ว ลุกจากเตียงนั่งวางเท้าทั้งสองลงบนพื้นทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็บังเกิดขึ้นเพราะเท้าทั้งสองของพระเทวทัตได้ จ, จมลงไปในแผ่นดินแผ่นดินค่อยๆดูดลงไปเรื่อยๆพระเทวทัตตกใจมากได้ตะโกนขอความช่วยเหลือจากบริวาร ขาะทีการกระจมลงถึงข้อเท้าหัวเขาาเว่าเซลจมลงไปจนถึงคอในเวลาที่กระดูกค้างเสมอกับพื้นดินอัตถิปัสทัตว์โกรมโมจุราช์ที่กำลังจะฆ่าชีวิตในครั้งนี้คงจุดพาเราไปสู่มหานรกอย่างแน่นอนเพราะตนเองได้ทำความผิดใหญ่หลวงต่อพระพุทธองค์และสร้างความมัวหมองต่อพระศาสนา ครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้หมดโกาสที่จะได้ขอขามาโทษก่อนตายเจิงตั้งสติมั่นได้กล่าวคาถานี้ว่ากราบลงขอถึงพระเดจจาพระองค์นั้นผู้เป็นบุคคลผู้เลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสารถีฝึกนรชนมีพระจักษุรอบครอบมีพระลักษณะแต่ละอย่าง เกิดได้บุญตั้งร้อยเพราะเป็นที่พึ่งเดือกระดูคางร้อมที่ลมหายใจเพราะสิ้นคำปฏิฐานแรงบาปก็จุดล้างท่านให้ไปบังเกิดในอเวจีมหานรกทันทีสวยทุกทรมานแสนสาหัสไม่มีเวลาพักเลยอย่างไรก็ตามเพราะในสงการบูชาพระพุทธองค์ก่อนสิ้นใจนี้เอง พระบรมศาสดาจึงทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวชตั้งแต่แรกเพราะหากไม่ได้บวชท่านอาจจะทำกรรมหนักจิ้มกว่านี้ครั้ได้พลังพลาดทำกรรมหนักแต่วาระสุดท้ายก็สำนึกได้จึงได้รับพุทธบัญญัติก่อว่าต่อไปในภายภาคหน้าอีกหนึ่งแสนกับพระเทวทัตจะได้บุรุธรรมเป็นพระปฏิเจ้าพระเจ้า นามว่าอาธิสรานพระ บ, บุญที่จ ด, ดถวายค้างและลมหายใจสุดท้ายเป็นพุทธบูชาทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องของพระเจ้าอาชาตศัตรูกันบ้างพราทรงได้รับความเดือดร้อนรไทยจากการทำบิดุคาตมากเพียงใดพระเจ้าอาชาศัตรูทราบข่าวว่าบัดนี้พระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบที่ไกล ประตูพระเชตตวันมหาวิหารแล้วไปสวยทุกทรมารในเวจีมหานรกจึงทรงรำพึงว่าแม้ตัวเราได้ปรงพระชนชีพพระบิดาผูเป็นธรรมราชาเพะอาศัยพระเทวทัตตัวเราจะต้องถูกเผนดินสูบหรือไม่หนอตามริดังนี้แล้วจึงทรงหวาดกลัว ไม่ได้เป็นสุขในสิริราชสมบัติแม้แต่น้อยนิดเพราะขาะที่ว่าจะทรงงยีบหลับต่พอเริ่มจะหลับเท่านั้นก็ปราคล้ายกับว่าถูกนายเนรยาบาลลากให้ตกไปในแผ่นดินเหล็กหนาเก้ายอแล้วทิมแทงด้วยเหลาเหล็กหรือมีการค้ากับวัตถุสุนัขปากเหล็กแทะกินเนื้อจึงทรงแปลงพระสุรเสียง ในสำเนียงอันน่ากลัวแล้วก็เสด็จลุกขึ้นทันทีเมื่อวันแผ่นเดินสี่เึไปด้วดูที่ดอกโกมุตเบ่งบานมาถึงพระเจ้าชาตศัตรูมีมุมหมาดแวดล้อมถ้าพระเนตเห็นอิสริยยศของพระองค์จึงทรงดำริว่าอิสริยยศแห่งพระบิดาของเรายิ่งใหญ่กว่านี้ เราสั่งให้ ป, ปรองพชนพระองค์ประเวนธรรมราชาเพระอาศัยพระเทวทัตทรงําริวกไปวนมาความเล่าร้อนก็บังเกิดนึกในพระไทยรัศรีละทุกส่วนก็ชุ่มไปได้วยเหงือ่อเท้าเธอจึงทรงําริว่าใครหนอจกสามารถบรรเทาทุกนี้ของเราได้บุคคลอื่น เว้นพระทศพลเสร็จแล้วย่อมไม่มีแต่เราก็เป็นผู้มีความผิดอย่างใหญ่หลวงต่อพระตะถาคตเจ้ากานทอพระเนตรหาที่พึ่งยิ่งกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้แล้วจึงทรงธรรมบายที่จะเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แดยการเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญราตรีข้ามคืนนี้มีดวงจันทร์ ยามกระจางหน้าเรื่อนลมเสียจริงหน่อวันนี้แล้วควรไปหาสมณะหรือพรามที่ไหนดีเมื่อเสวกามาตรผูวเป็นสาวกของศาสดาทั้งหกมีปุรณากาัสปะเป็นต้นปณนานาคุณหึ่งครูตอนในสดับก็ไปทรงเชื่อถอยคำของอมตะเหล่นั้นแต่ก็ไม่ได้ตรัสดแย้งประการใดทรงเห็นหมอชีวากะ จะเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเด็จแสดงการกระตือเรอร่ อ, อนมาจะแสดงคุณวิเศษของพระบระมศาสดาจึงตรัสถามหมอชิวกะหมอชีวกะเห็นนโอกาสดีจึงกล่าว ส, สรรเสริญพุทธคุณชาพเจ้าชาวศัตรูสรงเกิดความเรื่มมิติขนลุกชูชันเกิดความอัศจรรย์ใจ เราไม่ขาดคิดมาก่อนว่าจะมีาศาสดาองค์ใดที่ถึงพร้อมวยคนนั้นยิ่งใหญ่ถึงป่านนี้จนมีพระประสงค์อยากจะเสด็จไปในขณะนั้นทันทีพอแล้วก็มีรับสั่งให้ตระเตรียมยานหานะแล้วเสด็จไปยังสวนมะม่วงอามนทิประทับของพระพุทธองค์่หมอชีว ก, กะได้จะถวาย พรเสด็จไปถึงก็ได้รับการปฏิสันถารจากพระตถาคตเจ้าเป็นอย่างดีครั้นพระเจ้าชาติสตรูได้ฟังพระดำรสัสแล้วก็เกิดความเบาพระไทยราบผู้ที่เคยทำความผิดไว้ย่อมมีความว่าสะดุ้งกลัวเหมือนวัวสลังวะเป็นธรรมดาทรงจำเรือนเห็นมิสุสงนั่งนิ่งสงบเงียบ เหมือนห่วงน้ำใสที่นิ่งสงบถึงกับแปลงโอชาขกันว่าขอให้อุทไทยพัฒกุ ม, มารของเราจะมีความสงบเรียบร้อยเหมือนภิกษุสองหลนี้ด้วยเถิดฉันว่าการเสด็จมาเข้าเฝ้าลาบบรมศาสดาจะเกิดในสงใหญ่กับพระเจ้าชาสตรูอย่างไรบ้างใครมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ สำหรับวันนี้หลวงพ่อขอมวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพร่านามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุ ข, ขายยืนยาวให้สร้างบารมีกมันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครวัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงบัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้กระถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายดีเร็วพลันจงทุกท่านเถิรรเด